เพียงแต่รักษาศีลอุโบสถทุกวันพระเท่านั้นก็ให้มันจนให้เห็นดูสิว่ามันจะจนจริงไหมแต่รลวงพ่อว่าถ้าพวกเราเอาจริงจังมีแต่ความสบายใจในตัวของพวกเราท่านทั้งหลายเป็นการสแสวงหาทรัพย์ก็มั่นคงมั่นใจและก็การสแสวงหาธรรม คือทำรรมะเข้าสู่ใจจิตใจก็มั่นใจได้ทั้งสองอย่างได้ทั้งอาหารกายได้ทั้งอาหารใจอาหารกายก็คือพวกเราสองแสวงหาทรัพย์ข้าวน้ำโภชนาอาหารปัจจัย่ที่อยู่อาศัยยาแก้โรคภัยไข้จเจ็บแต่สรุปแล้วก็คือหาเงินนั่นแหละแต่ว่าอาหารทางใจเนี่ เราจะหาเงินมาเสริมอย่างนั้นไม่ได้เราต้องมาหาอย่างเนี้ยเข้าสู่วัดวาศาสนาจากนั้นก็ไหว้พระสวดมนต์รักษาศีลภาวนาทำจิตใจให้สงบทำจิตใจให้เย็นทำจิตใจให้เน่งอันนี้ก็คืออาหารทางด้านจิตใจเพราะนั้นพวกเราญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายหลวงพ่อว่าน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 แา่ตาไม่จริงพวกเราน่าจะหันตั้งอกตั้งใจหันหน้าหาอาหารธรรมะเข้าสู่จิตใจอย่างวันนี้แหละหลวงพ่อเห็นคณะชาติาญาติโอมม า, าสู่วัดวาศาสนาหลวงพ่อว่าเนี่ยเป็นเรื่องอุ่นหนาฟ้าขั่งทีเดียวถ้าได้อย่างนี้ก็ดีตลอดไรมาสามเดือน ก็ไม่เห็นจะมีมากอะไรเพียง3เดือนกับเพียง12วันเท่านั้นเองถ้ามันจะจนก็คงจะจนไม่มากกรมังถ้ามันจะรวยก็คงจะไม่รวยขึ้นมากกระมังแต่หลวงพ่อมั่นใจว่าถ้ า, าพวกเราสสแสวงหาอาหารทางด้าน จ, จิตใจฝืนใจของตนเองมาไหว้พระสวดมนต์รักษาศีลภาวนาปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิ ทำปฏิบัติธรรมหลวงพ่อว่ามีแต่ความเจริญรุ่งเรืองผาสุขใจของเราจะเย็นมีความสุขนะแต่ถ้าว่าพวกเราม่ได้ขนขวายมีแต่แ ส, สวงหาแ่ทรัพย์สมบัติยิ่งหาเท่าไรก็ยิงห่างยิ่งหาเท่าไรก็เลี้ยงเท่าไรก็เลี้ยงไปเถอะเลี้ยงร่างกายอย่างที่หลวงพ่อเคยพูดเคยกล่าวแนะนําสั่งสอนคณะสัทธา ญ, ญาติโยม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 แต่จะย้ายขาดตกบกพร่องดูแลให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้แต่ไม่ใช่ว่าจะทุกกับมันไม่ใช่ว่าจะให้ไม่ให้มีขาดตกบกพร่อง เ, อเลยอันนั้นก็คงจะเป็นไปไม่ได้เพราะร่างกายของเราเนี่ยมันก็ต้องการอาหารต้องการความเป็นอยู่ต้องการปัจจัยสี่แต่ อาหารทางด้านจิตใจเนี่ยพวกเรารู้สึกว่าจะห่างเหินห่างเหินทางอาหารทางด้านจิตใจเพราะนั้นในพรรษานี้2553ั25นี้าหนี่หลวงพ่ออยากจะให้พวกเราหาอาหารเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเรามีสมาธิธรรมมีปัญญาธรรมสมาธิธรรมก็คือทาจิตใจให้สงบติดใจให้เน่งปัญญาธรรมก็คือต้อง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 สนใจเอาธรรมะเข้าสู่จิตใจใช้สติใช้ปัญญาสัมมาทิฏฐิพิจารณาไตรตรองเหตุและผลชำละจิตชำละใจใจของเราจะเป็นพระอริยะเป็นอริยะบุคคลพระโสดาพระสกทาคาพระอนาคาคาพระอรหันได้เพราะเราชำละใจเพราะนั้น ขอให้พวกเราทุกท่านนะทธายญาติโยมทุกคนนะช่วยช่วยกันนะช่วยช่วยกันํำระใจของตนเองเนี่ยนะอย่าไปเลี้ยง เ, เลี้ยงร่างกายเลี้ยงขนาดไหนก็อย่างที่ว่านะอย่างหลวงพ่อเนะี่ยสมัยมาอยู่ใหม่ๆ ม, มาอยู่ที่นี่ปีสองห้านะดูรูปสมัยนั้นก็ยังน้อยอยังหนุ่มแต่ทุกวันนี้เท่าแกชราไปเรื่อย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 คุณงามความดีแ ส, ส, สวงหาบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจเอาไว้ในเมื่อเรามีบุญมีกุศลในจิตในใจแล้วถึงเราจะลาโลกหรือจากโลกนี้ไปเราก็ไปสู่ความสุขคือสุขคติ้สุขคติเราจะไม่ไปทุกขติถ้าเราไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจเราไม่ได้ใส่ใจเราไม่ได้ขนขวาย เราอยู่กินเป็นวันวันอยู่เป็นวันวันอยู่เป็นปีปีอยู่เป็นเดือนเดือนอแล้วก็จากลาโลกนี้ไปอันนั้นพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านไม่ทำนาย อ, าอนาคตของชีวิตของคนผู้คนนั้นอ า, อาจจะไปได้ทุกแห่งหนอาจจะไปตกนรกหมกไหมอาจจะไปเป็นเกิดไปเกิดเป็นสัตทธิ์ฉานอาจจะไปที่ไหนไหนได้ทั้งนั้น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 เป็นบุญเป็นกุศลเป็นที่ยกย่องเชิดชูบูชาอันนี้มากต่อมากถ้ากระทําไปแล้วทําให้คนดูถูกเหยียจยาทำทําให้คนไม่เป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจจากนั้นก็จับเข้าคุกเข้าตารางเพราะการกระทําก็มีมากต่อมากแล้วขนแนวความคิดถ้าคิดไม่ถูกคิดไปนในทางเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นบาปเป็นอกุศลก็มากอย่างพวกเรา เมื่อกี้ในเด็กราบคารวะครูบาอาจารย์เนี่ยอันนี้ก็คือมโนกรรมการคิดทางใจคือเราห้ามระยากในการคิดเนี่ยแต่ถึงยังไงก็ตามถ้าเรามีฮิริคือความละอายคือความกลัวต่อบาปในใจอยู่ในใจแล้วเราจะคิดออไปในทางที่ไม่ถูกต้องเราก็จะได้นำมัดระวังเหมือนกันเฮไปคิดไปได้ยังไงคิดอย่างนี้ขึ้นมา มันคิดอย่างนี้มันไม่ถูกต้องนะเป็นบาปนะเป็นอกุศลนะเนี่ยอันนี้เราก็จะได้ห้ามจิตห้ามใจของเราเพราะว่าพ่อเหตุว่าการทํากรรมทําได้สามทางมโนกรรมคือทำคือทำความคิดทางใจกายกรรมคือการกระทําทางกายวจีกรรมคือการพูดเป็นคําพูดนี่แหละบาปอากุศลหรือบุญบุญกุศลจะเข้ามาได้สมทางมาหาพวกเราท่านทั้งหลาย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 เพราใจของเรามันไปทางต่ำเพราะใจใจของเราไม่ได้รับการอบรมที่ดีเพราะนั้นเราควรจะเข้าอบรมหรือ ว, ว่าเข้าศึกษาแนวทางโดนแนวแถวที่พระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่า น, นแนะนำอบรมสั่งสอนไว้ที่หลวงพ่อจะเล่าให้ฟังน่ก็คือเป็นยังไงระบบบาปบาปในความคิด เพียงคิดก็เป็นบาปทําทไมทําไมเป็นบาปเอ่อสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าของเราประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถีวัดเชตตะวันมหาวิหารแต่ท่านพระมหากัจารยนะที่เป็นพระสาวกองค์หนึ่งในอสิติสาวกแปบองค์แต่พระมหากัจจารยนะนี่เป็นผู้รู ป, ปร่างลักษณะ สวยงามผิวพรรณวันณนะเสร็จสวยงดงามคือพระมาหากัจร ย, ยนานะนี่ท่านปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่ง เ, เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งแต่พอมาถึงศาธนาของพระโคตมะคือพระพุทธเจ้าของเราท่านได้มาฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าท่านอธิบาย ทำมัธยนาให้ฟังโอ้ก่อนที่จะได้เป็นพระพุทธเจา้ามันยากเหลือเกินนะเ อ, อถ้าจะเปรียบเทียบแล้วก็เหมือนกับเราเดินผ่านควันของไฟอย่างหนานแน่นเ อ, อเป็นโยดเดินผ่านไปเออจะรอดพ้นไปนี่ยากมากแต่ถ้ารอดไปได้ก็น่นะจะได้เป็นพระพุทธเจา้าหรือว่าเราจะมุดเข้าไปในกลางกอไผ่น่าหน า, นา เราก็ใช้มีดถางไปทีละน้อยแล้วน้อยจนทะลุกอไผ่ทั้งหนามทั้งอะไรเนี่ยกว่าจะทะลุได้ไม่ใช่ธรรมดาผู้ที่จะทะลุบอดโป่งไปได้เพราะฉะนั้นที่ผู้ที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าในองค์หนึ่งไม่ใช่ของง่ายๆท่านพระมหากระจายนะท่านปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตแต่ยังไม่ได้รับพยากรณไทยเา่าเตรียม ถ้าว่าอีกไม่นานนะท่านกงคงจะได้รับพยากรนะ่ะแต่นี้ท่านก็เลยฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าท่านก็เลยกลับปล่ําเหมือนกันถ่ายากขนาดนั้นก็ไม่เอาแล้ววะพระพุทธเจ้าคงจะเป็นขอเป็นภาษาวกดีกว่าจะได้พ้นทุกข์ถึงจะเป็นพระพุทธเจ้าก็หมดจดหมดกิเลสเหมือนกันกันกบภาษาวอกเป็นภาษาวกอกก็หมดกิเลสเหมือนกันแต่ว่าไม่มีบุญหนักสักใจไม่มีบุญวาสธนาคนทั้งหลาย ก็จะไม่ได้เชิดชูบูชาเหมือนพระพุทธเจา้าแต่ว่ากิเลสในใจนั้นหมดจดเหมือนกันหมดเหมือนกันกับพระพุทธเจา้ากิเลสพระสาวกกิเลสพระพุทธเจ้าหมดเหมือนกันหมดกิเลสราคะโทสะโมหะแต่ว่าบุญบา ร, รมีภายนอกนั้นเทียบกันไม่ติดบุญบา ร, รมีของพระพุทธเจ้านะบุญหนักสักใหไปที่ไหนก็เป็นที่เรื่องรือ แต่ว่าการชำระกิเลสภายในใจนั้นหมดกิเลสเหมือนกันเอาเถอะเราเอาหมดกิเลสก็พอแล้วละ่ะอย่าไปเอาเถอะบุญหนักสักใหญ่ เ, เหมือนกับพระพุทธเจ้ า, ากับปลำบังกระถะไม่กับลากระตั้งจิตอธิษฐานข้าพเจ้าจะขอพ้นทุกนวัตะสงสารในชาตินี้พอท่านพูดกับปลำเท่านั้นละ่ะบุญบารมีของท่านที่จะได้ ที่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตโถมเข้ามาเลยท่านเลยลุมเข้ามาเลยโถมเข้ามาท่านก็ภาวนาท่านก็ได้สำเร็จเป็นพระอระหันต์พอท่านได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์พระมหากระจายนะท่านเป็นตระกูลของพรามหน้าตาเสร็จสวยงดงามผิวพรรณวันณนะสวยงามกิริยามารยาทสวยงามทั้งหมด แล้วก็เป็นผู้มีวาจาไพเราะเพราะพิง์อธิบายคำย่อให้พิสดารถ้าพระพุทธเจ้าว่าะพระพุทธองค์บอกว่าสัมมาทิฏฐินะเอาไปฟังมหากระจายนะอธิบายมหากระจายก็มหากระจายนะก็อธิบายเรื่องสัมมาทิฏฐินี่คืออะไรคิดยังไงเป็นสัมมาทิฏฐิคิดยังไงเป็นมิจฉาทิฏฐิท่านจะอธิบายความย่อให้พิสดาร ท่านได้รับเอธัตคะนะจากพระพุทธเจา้าเป็นผู้ได้รับเอธรรรัตคะว่าขยายคำย่อให้ให้พิสดารได้ในเมื่อพระหมากระจายชน ะ, ะแสดงแสดงทำจบให้แก่ผู้ที่เข้าฟังจบแล้วสงเหล่านั้นคนเหล่านั้นไปถามกราบภูนถามพระพุทธเจา้า มหากระจายนะท่านพูดอย่างนี้อย่างนี้พระเจ้าข่าเป็นยังไงพระพุทธองค์รับรอยใช่มหากระจายชนะพูดถูกต้องทุกอย่างถ้าเราพูดก็คงจะพูดคงจะตรัดอย่างนี้แหละมหากระจายชนะทําถูกต้องแล้วพูดถูกต้องแล้วอันนี้คือพระพุทธเจ้าของเรายกย่องพระมหากัจจายะนะท่านก็เคยตั้งในท่ามกลางสงฆ์ว่ามหากัจจายชนะ เป็นผู้เลิศ ก, กว่าภิกษุทั้งหลายที่ขยายคำย่อให้พิดารขยายคำคำเดียวให้กว้างขวางมีเหตุผลกว้างขวางรอบอรอบรู้ได้เนี่ยะคือพระมหากัจจายนะท่านได้รับเอธะตะคะทางนี้จากจา น, น, นั้นท่านก็เมื่อท่านได้เป็นพระอรหันต์แล้วท่านก็ไปโปรดคณะสัตา ย, ยายาจมหลายหลายแห่ง แต่คราวนั้นท่านไปที่เมือ ง, มองะะเมืองโสระยะใครเมืองโสระยะนก็คงจะเป็นแคว้นหรือนอคมหนึ่งออของกรุงสวัสถีกำมังทีนี้ท่านไปอยู่เมืองนั้นท่านก็ไปบินทบาทตอนเช้ากับพระอีกเพื่อนอีกองเดินบินทบาทเข้าไปในหมู่บ้านท่านก็ซ้อนสังคาติ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 ก็เห็นพระมหากัจจา ย, ยนะเดินสวนทางไปท่านจะเข้าไปบินธบาตในหมู่บ้านมีเศรษฐีลูกของโสระยะโสระยะเศรษฐีไอ้เข้าว่าเป็นเจ้าเมือ ง, อ ง, ก, องกับเมืองกเมืองนั่นก็เมืองว่าเมืองโสระยะแต่เศรษฐีนี่ก็เป็นว่าเศรษฐีโสระยะแต่เด็กตุ่มคนนี้ก็เป็นลูกเศรษฐีของโสระยะ แต่พอเห็นพระมหากระจายยันได้ท่านคิดขึ้นมาโอ้โหพระองค์นี้ทำไมสวยงามขนาดนี้โอ้เราอยากจะได้อยากจะได้เมียของเราเนี่ยแฟนของเราเนี่ยสวยเหมือนกับพระองค์นี้ว่ะแล้วก็ผิวพรรณของท่านกับเออเหลืองอล า, ามสวยงามอีกต่างหากขอให้เราได้เมียเมียของเราอยากจะได้ผิวพรรณอย่างนี้อย่างพระองค์นี้อ่า แล้วอย่างพระองค์เนี่ยสวยงามจริงๆพระองค์นี่แล้วก็ผิวพรรณก็สวยงามอีกต่างหากโอ้เราอยากจะได้เมียแฟนของเราสวยงามอย่างนี้ว่ะแต่ตาม่จริงเขาก็มีแฟนแล้วนะเขามีครอบครัวแล้วมีลูกสองคนแล้วเอ น, นแต่นี่เขานั่งยานไปเน่ะไปเห็นพระมหากระจายนะเขาก็คิดอย่างนั้นขึ้นมาเลพอคิดเท่านั้นหละ อยากจะได้พระมหาพอพระมหากัจจายนะพระมหาเถระกัจจายณะเนี่เป็นเมียว่างอนนเพราะว่ารูปร่างท่านอสวยงามหน้าตาของท่านสวยงามผิวพรรณของท่านสวยงามพอคิดเท่านั้นแหละบาปเป็นบาปนะบาปพระกุศลวิ่งตบก็มาหาเขาเลยเขากลับกลายเป็นผู้หญิงในเดียวนั้นเลยฮ้กลับกลายเป็นผู้หญิงในเดียวนั้นเลย เขาโทษตายข้าทําไมเป็นอย่างนี้เลยพอจากนั้นพอเองตัวเองเป็นผู้หญิงเสร็จแล้วก็เอาผ้าคลุมมล่อมก้มแก้มพอไปถึงถึงใกล้ท่าน้ํำเขาก็หลบออกจากหมู่เพื่อนเลยเพราะว่ามีเพื่อนเศรษฐีด้วยกันเศรษฐีหนุ่มด้วยกันไปอาบน้ําเวลาเข้าไปก็จะไปเป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นคณะแต่เพื่อนสนิจกันยมีอยู่คนหนึ่งแล้วก็มีบริวารเหมือนกันกับเศรษฐีโสเรยะเหมือนกัน แต่นี้นเขาก็เขาก็ไปอาบน้ำเลยอันนี้ก็ททำท่าบวกลมก้มแก้มหลบหลบออกจากหมูเสร็จแล้วก็เปิดแห น, ไนบไปทางนีว่างั้นเถอะหนีแบบเตลดเิดเปิดเปิงอะไรว่างั้นเถอะไม่ได้มองดูใครเลยเพราะตัวเองมันผิดปกติทำไมเราจึงกลายเป็นผู้หญิงไปได้ทั้งที่เราเป็นผู้ชายเนะจากนั้นก็หนีออกจากหมูไปเลยจะนี่ไปกันโนนะเดินไปเมืองตะกัดซิลานันะ่น เมืองทุกวั น, นตะกาศิลากับเมืองทาริบันเหมือนกันแต่เดินไปเมืองทาริบันที่เมืองที่กันดารทีนี้ก็เดินไปคนเดียวแล้วเหมือนันแตไอ้พวกเศรษฐีบริวาร น, นี่ก็ได้ถึงท่าน้ำพออาบน้ำํำพออาบน้ําเสร็จแล้วก็พอขึ้นมาอา้าวสุรยะไปไหนวะก็าถามหาค้นหาที่ไหนก็ไม่จเจออ้าวไม่ใช่ตกน้าตายแล้วหรือเนี่ยค้นหาที่ไหนก็ไม่เอา้าไม่ใช่นะ ลงมาเราก็ยังไม่เห็นลงท่าน้ำนะถึงมาเห็นตามฝั่งแล้วก็เห็นก็หายไปเลยไม่รู้หายไปไหนแล้นั้นก็คนแถวนั้นก็ใหม่ดีพอนี่มกีก็กลับมาบ้านกลับมาเลยไปบอกให้พ่อแม่เออโสระยะกลับมาได้ยังทางพูดดิค่ะไม่เห็นหนะ้าไม่เห็นเอาไม่เห็นยังไงที่ว่าเขาไม่ได้อาบน้ำเขามาก่อนนะนะทางพ่อแม่เอามันไปยังไงสระยะลูกชายจากนั้นกาคน ตัวในเมืองทีหนหาที่ไหนก็ไม่เจอผลที่สุดเข้าก็เลยโอ้ตายแน่ๆ แ, และ่ะหลายวันเข้าต่อหลายวันเข้าผลที่สุดก็เลยทําบุญทําบุญอุทิศส่วนกุศลอย่างพวกเราไม่เห็นคนนะก็เห็นว่าคงตายแน่ๆล่ะอาจจะจมน้ําตายหรือไปที่ไหนก็ไม่รูลล้ล่ะตายแนละ้วเพราะไม่เห็นมาแล้วแต่ก่อนเขาก็ไม่เคยไปไหนมาก่อนเลยเนยจากนั้นโสรย่าเนี่ยก็เดินเตลิดเปิดปังไปอยู่กับพวกเรียน พวกเกวียนลงก็พวกหาเกวียนมางี้ยแต่ไปเมืองนั่นแหะไปเมืองทาริบันไปเมืองตะกัติลาไปทางนู้นก็นไปเจอกับลูกเศรษฐีอีกมาเงั้ยแต่ไปลูกไปเศรษฐีเศรษฐีคนนั้นไม่มีพัญญาลูกเศรษฐีเขาก็เลยเห็นหญิงสาวคนนี้ว่าหน้าตาดีเลก็เลยแต่งงานอีกไปแต่งงานเป็นแต่งงานกับลูกเศรษฐีเมืองตะกัติลาน่ย พอไปอยู่ที่นั่นแล้วก็เพื่อนที่อยู่เมืองโสรยะเนี่ยที่เป็นเพื่อนกันเนี่ยแล้วก็บรรทุกเวียนห้าร้อยไปขายของที่เมืองตะกัศิลาแต่ไอโสรยะเนี่ยพอเป็นผู้หญิงขึ้นมาแล้วแต่งงานแล้วเนี่ยเออก็มีลูกเ อ, อมีลูกในท้องออกไปเป็นลูกชา ย, ยางั้นแหละคนแรกพอต่อมาอีกได้ลูกอีกคนที่สองมีลูกสองคน ไอ้ที่อยู่เมืองนี้ก็เมื่อแต่งงานทางนี้ก็ได้ลูกสองคนเหมือนกันมีภรรยาอยู่ที่เมืองโสรยะยมีลูกสองคนพอไปเป็นผู้หญิงก็ได้ลูกสองคนอีกที่เมืองตะกะชิลาจากนั้นตะแกก็อะ่ททำมาค้าขายอยู่กับสามีนั่นนะแต่นี่เพื่อนเพื่อนอยู่เมืองโสรยะ เอาสินค้าบรรทุกไปเพื่อจะขายเมืองตะกัิศิลาเวียนห้าร้อยทนี้นางนางโสรยะเนี่ยได้ยินว่าเศรษฐีเขาจะมาจากเมืองโสรยะเนี่ยจะเป็นใครนะ้าเศรษฐีหนุ่มหรือเศรษฐีใครที่จะมาขายของเนี่ยเศรษฐีคนนี้ก็เลยไปชนนางโสรยะนี่ก็ได้เปิดหน้าต่างดู ขึ้นไปอยู่ชั้นสอง้วเปิดหน้าต่างเง้มหน้าต่างดูนั่งๆั่งอยู่หน้าต่างพอเห็นโอ้เพื่อนของเราในวาอ์อเพื่อนของเราเพื่อนสนิทของเราในวาร์มาขายของในเมืองเนี่ยเวยนห้าร้อยเนี่ยก็ได้บอกให้ลูกน้องไปไปบอกไปไปเชิญหัวหน้าเศรษฐีที่เป็นหัวหน้าพ่อค้าเวียนนะเข้ามาหาเราด้วยแต่ได้ก็พอเสร็จแล้วนางไดก็จัด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 ผู้หญิงคนนี้ก็ว่ารู้ทําไมจะไม่รู้เธอรู้ไหมว่าไอ้โสระยะเนะ่ยเศรษฐีหนุ่มก็ว่ารู้เป็นเพื่อนของเราเนะ่ยเป็นเพื่อนของเราแท้ๆเราเรารักสนิทสนมเขามากแตเ่เขาหายไปไหนก็ไม่รู้วันนั้นชวนกันไปอาบน้าพออาบน้าเขาหายไปในท่าน้ําเลยวก็หายไปไหนจนพ่อแม่เขาทําบุญอุทิศส่วนกุศลถึงเขาแล้วไง ตั้งแต่บัตรนั้นมาก็หายเงียบไปเลยเหมือนผู้หญิงคนนี้วาคนรู้ไหมเนะ่ยคนที่หายไปนั่นนั่นะคือฉันนี่แหละคือฉันนี่แหละ เ, เป็นโสรยาเศรษฐีหนุมคนนั้นคุณทำไมพูดอย่างนั้นคุณเป็นผู้หญิงนะเนี่ยเพื่อนของผมเป็นผู้ชายลูกหลอเหมือนกับลูกเทวดาเลยว่างนั้นทำไมคุณจะมาพูดว่าคุณเป็นโสรยาได้ยังไง คนผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่าไม่เชื่อเหรอะพ่อแม่ของฉันเป็นอย่างนู้นอย่างนี้ไล่เลียงถูกหมดเลยถึงเออตะลึงเลยทําไมเป็นผู้หญิงก็ทําไมเห็นไม่วันนั้นนะพระมหากระจายนะเทระของเราเดินผ่านมาเน่ยฉันคิดในใจว่โอ้ฉันอยากจะได้เมียสวยๆอย่างท่านพระมหาเทระองค์นี้จริงๆฉันอยากจะได้ผิวพรรณ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 ทำไมกลับกลายเป็นอย่างนี้ไปได้แต่นี่ก็เลยถามว่าเดี๋ยวนี้พระมหากัาราจนะอยู่ไหนเอา้าเดี๋ยวนี้ก็อยู่ที่เมืองนี่แหละเมืองตะกัศิลานี่แหละเดี๋ยวนี้จงึงอยู่ที่เมืองนี้อยู่นะเดี๋ยวเนี้ท่านมาเที่ยวรุ ด, ดงมาทางนี้อยู่โอ้ถ้าอย่างนั้นก็เจ้าจงไปอดโทษท่านซะให้ท่านอดงดโทษให้คือไอ้โหสีกรรมคราๆอย่าง้พวกเรากาลาบคารวะอย่างนี้แหละ ถ้าว่าได้ประม า, าทพลาดพังก็ขอให้มหาเถระอดโทษให้ข้าพเจ้าด้วยเทินลักษณะอย่างนั้นแต่ได้โอ้ยฉันไม่กล้าฉันอายเอาไม่ใจไม่เป็นไรเอาจัดบ้านไว้กันแล้วกันนะผมจะไปเป็นนิมนต์ผมจะไปนิมนต์พระมหากระจายจะนะมาให้ฉันที่บ้านของของของเธอเองนางนี่นละรับปากจากนั้นก็จัด เครื่องอาหารการบริโภคทุกสิ่งทุกอย่างแบบทาแบบสมบูรณ์ที่สุดแล้วงั้นด้วยความเต็มใจจากนั้นเศรษฐีหนุ่มที่เป็นเพื่อนกันก็เลยไปกราบพระมหาเทระมหากัจจา ย, ยนะมหากัจจา ย, ยนะมองเห็นท่านก็จำได้ขอในมนพระคุณท่านไปฉันที่บ้านของเพื่อนเพื่อนของผมมหากัจจา ย, ยนะอา้าวเธอเป็นแขกนี่จะไปหานมนฉันนมนเราไปฉัน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 อย่าให้ข้าพเจ้าได้เป็นบาปเป็นกรรมเพราะความคิดของข้าพเจ้าพระมหากระจายยานต์ทว่าเออเรางดโทษใหเออ้เพราะว่าเขาเวลาเขาเวลาเขากล่าวเลี้ยเขาก็หมอบหมอบกาบลงกาบลงเขาก็พูดออพอพูดพมหากัจจายยานต์เ อ, อ้าเธอจงลุกยืนขึ้นเราให้เอาหัวสิก เ, เรางดโทษให้แก่เธอเ อ, อ่า เธอจงเป็นปกติจากนั้นพอพ่อมหากระจายนะมดโทษให้ท่นนั้นเองนางนางนางนั้นลุกขึ้นมากลับกลายเป็นผู้ชายเดียวนั้นเลยแบบนั้นแ อ, อ, อกลับกลายเป็นผู้ชายพอเป็นผู้ชายเสร็จแล้วทีนี้ก็เอายังไงเลยทีนี้แฟนตัวเองก็เป็นผู้ชายตัวเองก็เป็นผู้ชายเนี่ยก็เลยบอกเออก็เลยบอกเอาลูกของฉันสองคนเนี่ยแอบมอบให้เธอนะ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 ได้ลูกสองคนพอไปเมืองตะกะชีลาเป็นเมียเขาเป็นภรรยาของเขาได้ลูกสองคนแต่ได้เขาก็ถามว่าโสรยักษลูกที่เกิดกับท่านที่ท่านได้ลูกกับเมียที่เมืองโสรยะกนษะ์ที่ท่านแต่งงานกับแม่บ้านของท่านทั้งสองอย่างเนี่ยท่านท่านรักใครมากลูกสองลูกสองสองฝ่าย อันหนึ่งออกมาจากท้องตอนเองอันหนึ่งออกมาจากท้องพันยาเนี่ยท่านรักใครมากโสระยะในบอกว่าโอ้รักลูกที่ออกจากท้องตอนเองมากกว่าอเออคือมาเทียบกันไม่ติดเลยอย่างนั้นรักมากออกมาจากท้องเองรักลูกที่ออกจากท้องตอนเองมากกว่าลูกเที่ออกมาจากท้องภรรยาคใครถามท่านก็พูดอย่างานั้นไทยถามพวกกนพูดอย่างานั้นเท่ คนทั้งหลายมันก็ใครๆก็อยากจะรู้ทีนี้ต่างคนก็ต่างมาถามเมื่อนแล้วท่านก็ลาคาญทีนี้เออลาคาญอายเขาบังลาคาญบ้างท่านก็หลบหนีวะนี่หลบหนีไปอยู่ในที่เปี่ยวเปียวอย่นี่แหละทำที่จะเกิดนะเออจรุปแล้วทำธรรมะพระอรหรันต์เนี่ยจะเกิดขึ้นมาได้ไม่ใช่เกิดในที่คุกคลีวุ่นวายนะเกิดในที่เปี่ยวเปีย ว, เ, ยวเกิดในที่อยู่ตามลําพัง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 ท่านอยู่ตามลําพังนะท่านภาวนาดูตัวของท่านเองอย่างอยู่แบบเดียเด่ยวๆเปี่ยวๆ เ, เพราะงั้นนจะไม่คลุกคลีกับใครๆเพราะหลีกหลีกออกจากหมู่คณะนะจากนั้นท่านก็ภาวนาจนได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ในเมื่อท่านเป็นพระอรหันต์แล้วท่านน อ, อ่พระก็ไปถามท่านเลยพวกญาติยาโยมพระถามท่านเ อ, อลูกที่เกิดกับท่านเออ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 อวดอุตริมนุษยธรรมฝ่าตัวเองเป็นพระหรหันต์เนี่ยถ้าคนไม่รักไม่เกลียดไม่โกรธเนี่ยก็พระหรหันต์เท่านั้นนลยอันนี้ไม่น่าจะเป็นนะเนี่พูดสูงเกินไปแล้วนคนเขาก็เลยไปกราบทูลพระพุทธเจ้าบอกว่าพระสู ร, รยญายเนี่ยอวดอุตริมนุษยธรรมอหัวดน้างว่าตัวเองไม่รักไม่เกลียดไม่โกรธอีกแล้วน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 เห็นหเพียงว่าอยากจะได้ผิวพรรณแล้วว่าหน้าตาก็อย่างพระเถระท่านนี้นะอยากจะได้มาเป็นภรรยาของตนเองคิดเพียงเท่านั้นละ่ะเป็นบาปตัวเองกลับกลายเป็นผู้หญิงขึ้นมาในเดี๋ยวนั้น น, นี่แหละพระมหากระจา ย, ยานะที่นี่ไม่ใช่เพียงเท่านั้นไปที่ไหนนเขาก็โหพระมหากระจายยา น, นี่รูปหล่อลวเกินผลในชูท่านก็โอ้เราเนี่ย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 เน่คนทั้งหลายมันหลงร่างกายของเราเนี่แหละท่านก็เลยตั้งจิตได้ทันเอา้าขอให้ร่างกายของเราอ้วนเอพุ่มพุ้ยบัดเนี่ยเพราะนั้นเราเห็นพระมหากระจายชนะลงพุงเช่นนั่งเอเต่เลยทีนี้ใครเห็นโอ้ไม่งามเลยทีนี้ไม่เหมือนตะกอดเออพอเห็นท่านด้ตัวบักใหญ่แต่อ้วนกลุงพุงเลยพุ่มุง พ, พุ่มพุ้ยเลยว่าทีนี้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 ไม่มันเป็นทางบาปาเล่นกับลุงเหมือนพระมหากัะจายชนะได้อย่างง่ายลูกหลานโมนีวะนี่ละ่ะจะลบแล้วก็คือจะลบแล้วก็คือบาปคือแนวความคิดแนวความคิดของของคู่คนเป็นแนวความคิดของคู่คนควคิดของคนนะเป็นบาปเป็นกรรมนี่ ว, ว่า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 ภาวนาของใครของเราอย่าไปคุยกันจนเกินไปต่างคนก็ต่างหลบภาวนาของใครของเราหรือจะนั่งเรียงกันเป็นแถวแล้วก็นั่งภาวนาเออพวกเราจะนั่งภาวนาสักหนึ่งชั่วโมงนะอจากนั้นก็นั่งภาวนาไม่ต้องคุยกันขณะที่คนอื่นนั่งภาวนาอย่ามีการคุยกันอองดในการคุยกันถ้าว่าพวกเราคนหนึ่งนั่งภาวนาคนหนึ่งคุยกันน่ะไม่ได้นะมันไม่สงบหรือ มันอยู่ด้วยกันไม่ไม่ไมสกบเพราะนั้นให้รู้จักเกรงใจกันอย่าไปเดินเพ่นผ่านวุ่นวายอย่าไปคุยกันอย่าไปใช้เสียงในการอยู่ด้วยกั น, นต่างคนก็ต่างนั่งอ ย, อยู่คนละมุมกันให้มีสติสัมปชัญญะกาหนดลมหายใจเข้าหายใจออกบริกรรมพุทโธพุทโธนี่แหละถ้าใครจะนอนก็ค่อยๆให้เกรงใจกันจะเป็น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 อย่าให้มีเสียงตั้งอกตั้งใจภาวนากําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละเป็นหลักจากนั้นจิตใจของเราเข้าสู่ความสงบเมื่อจิตใจของเราสงบเป็นพื้นฐานที่หลวงพ่อเคยอธิบายให้ฟังคณิกะอุปัจาระอัปปนาจากนั้นก็นําจิตที่มีความที่ผ่านความสงบไปแล้วนํามาพิจารณาทางอสุภะปฏิกูลเรียกว่าพิจารณาถึงธาตุสี่ดินน้ํำลมไฟ พิจารณาถึงมรณนุตสติให้เห็นร่างกายเป็นของไม่เที่ยงอันนี้จังทุกขังอนัตตาร่างกายเนี่ยถึงจะดูแลดี ด, ดีขนาดไหนก็ยังเป็นอื่นอยู่เสมออย่างที่หลวงพ่อได้พูดจากนั้นก็ให้ดูใจเท่เนีย้ย้อนเข้ามาหาใจคือตัวผู้รู้คือนา ม, มธรรมอย่าไปหลงร่างกายมากจนเกินไปนะใจนะดูใจของตนเอง เมื่อเราดูใจของตนเองด้วยปัญญาด้วยสติด้วยปัญญาไข่ววญญ ค, ควรทบทวนดูให้ละเอียดให้ถีท้่นมองดูให้ดีจากนั้นใจของเราก็จะเห็นตามความเป็นจริงเกิดความเบื่อหน่ายคลายหลุดพ้นไม่ยึดมั่นถือมั่นเบื่อกระทั่งใจอีกต่างหากใจก็เป็นอนิจจังเหมือนกันนะเดี๋ยวก็คิดนั้นเดี๋ยวก็คิดนี้เดี๋ยวก็คิดโคิดโกรธคิดหลงอยู่ในใจิตในใจทั้งหมด เพราะฉะนั้นเราต้องมองดูใจใจตัวนี้ก็เป็นอนัตตามือนกันไม่ใช่ตัวตนของเราใช้ธรรมอนัตตาถล่มเข้าไปสู่จิตใจของเราเมื่อถล่มเข้าไปและอันไหนทนต่อการพิสูจน์ทนต่อการพิสูจน์นันนั้นแหละคือธรรมมันจะพดขึ้นมาแห่งความบริสุทธิ์หลุดพ้ น, นมันอยู่ที่นั่นแหละเหมือนกับความโง่กับความฉลาดนะสมัยก่อนเราไม่ได้เรียนหนังสือเราก็งโงนะ่แต่เมื่อเราเรียนหนังสือ เราก็รู้ขึ้นมารู้ที่ไหนมันก็รู้อยู่ที่โง่นะ่ะแต่ก่อนมันโง่แต่บัดนี้มันฉลาดมันรู้ขึ้นมาแล้วมันฉลาดนี้ก็เหมือนกันสมัยก่อนเรามีกิเลสกิเลสโรคโกรธลงมาอยู่ในใจแต่บัดนี้เราสละกิเลสราคะโทสะโมหะออกไปจากใจแล้วความบริสุทธิ์หลุดพ้นก็เกิดขึ้นมาตรงนั้นน่ะแต่ตรงที่เรารู้แก้งเห็นจริงนั่นแหละเพราะฉะนั้นขอให้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 ถ้าไม่มีอะไรในพรรษาเนี่ยควรจะมีความสั์จริงนะ่อธิษฐานเนะ่าข้าพเจ้าจะรักษาอุโบสถทุกวันพระใ่้ข้าพเจ้าจะรักษาศินห้าทุกวันพระให้หลวงพ่อว่าจะเป็นบุญเป็นกุศลเป็นบุญบา ร, รมีของพวกเราตลอดไปนะการพูดในวันนี้ก็เห็นว่าสุงควรกับการเวลาขอยุติในการพูดอันตอนนี้ไปนั่งสมาธินะัตินี้นะแล้วจะค่อยเลิกกัน